ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองแบบคือความสุขชั่วคราวกับความสุขถาวรความสุขชั่วคราวก็คือความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนความสุขที่ถาวรก็คือความสุขทางใจ ร่างกายเป็นของชั่วคราวความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายจึงเป็นความสุขชั่วคราวใจเป็นสิ่งที่ถาวรความสุขที่ได้ทางใจจึงเป็นความสุขที่ถาวรความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่หาง่าย กว่าความสุขทางใจความสุขทางใจนี่จะต้องมีคนสั่งคนสอนถึงจะสามารถเข้าถึงได้ถ้าไม่มีใครมาสั่งมาสอนก็จะไม่มีใครสามารถเข้าถึงความสุขที่ถาวรนี้ได้ก็เลยต้องอาศัยความสุขชั่วคราวกับไป เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่หาความสุขทางร่างกายต่อไปแต่ทุกครั้งที่ได้ร่างกายมาใหม่ก็จะต้องแบกภาระของร่างกายอันใหม่นี้นตั้งแต่การเลี้ยงดู ร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วก็ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการพลาดภาคจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่ให้ความสุขนี่คือลักษณะของการหาความสุขทางร่างกาย ที่สัตว์โลกทั้งหลายหากันพราไม่รู้จักความสุขทางใจไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจว่าหาได้อย่างไรต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาส่งค้นพบวิธีหาความสุขทางใจหาความสุขที่ถาวร แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังไม่รู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้พบกับความสุขที่ถาวนความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้น การที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร่งมาประกาศพระธรรมคาสอนของของพระองค์ให้แก่สัตว์โลกจึงเป็นเรื่องบุญคุณอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลงที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้กับสัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังต้อง หาความสุขผ่านทางร่างกายกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายที่ได้มาทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกข์กับบุคคลต่างๆที่ได้มาเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพลาดลาดจากกันไปน้ําตาที่สัตว์โลกต้องหลัง่ง ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเอามารวมกันแล้วพระ อ, องค์ทรงตรัสว่ามากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดมาล่องห่มล่องไห้กี่ครั้งกันถึงจะมีน้ําตามากกว่าน้ําในมาหาสมุทรนั่นคือปริมาณของความทุกข์ของสัตว์โลก ที่มีการอยู่ทุกภพทุกชาติที่มาเกิดมาได้ร่างกายก็จะต้องมีการร้องห่มร้องไห้มีความเศรา้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องพัดพราบจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆพัดพราบจากร่างกายไป การหาความสุขทางร่างกายจึงเป็นการหาความทุกข์มากกว่าแต่เนื่องจากไม่มีทางเลือกก็เลยจำเป็นต้องหาความสุขแบบทางร่างกายนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีคนมาบอกทางเลือกก็คือพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความสุข ที่ถาวรแล้วก็นําเอามาเผยแผ่มาบอกมาสอนวิธีที่จะให้เข้าถึงความสุขที่ถาวร น, นี้ถ้ามีถ้าเชื่อถ้าศรัทธาแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถเข้าถึงความสุขที่ถาวร น, นี้ได้เมื่อเข้าได้แล้วก็จะ มาเป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนวิธีเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี้ต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาจึงยังมีปรากฏอยู่ในโลกนี้ได้จนถึงบัดนี้ก็เพราะว่ามีผู้ที่เชื่อมี ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้ได้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปนี่เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมา ถึง 2,500 กว่าปีแล้วแล้วก็จ ะ, จะเจริญนุ่งเรืองต่อไปตามที่ท่งพระทรงพยากรณ์ไว้ก็พระพุทธศาสนานี้ก็จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีด้วยกันหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครที่จะมาสั่งมาสอน มาบอกวิธีให้เข้าถึงความสุขอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสัตว์โลกก็ต้องหาความสุขทางร่างกายต่อไปแล้วก็ต้องหลั่งน้ำตาที่มากยิ่งกว่าน้ำในหมหาสมุทรต่อไปอีกจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ มาตัดสรู้มาค้นพบความสุขที่ถาวรความสุขทางใจแล้วก็มาประกาศพระาศาสนาเพื่อมาช่วยมาสอนสัตว์โลกให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี้ความสุขที่ถาวรนี้ต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขทางใจ นานๆจะมีโอกาสได้เข้าถึงกันสักครั้งหนึ่งการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนายุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงจะได้ยินได้ฟังเรื่องของความสุขทางใจแล้วเราจะได้มีโอกาสพบกับความสุขทางใจนี้ ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อถ้าเราอยากจะเปลี่ยนการหาความสุขทางร่างกายเราก็มีโอกาสที่จะหาความสุขทางใจได้สามารถที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากกันอีกต่อไปจะเป็นไปได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอริยสงสาเองค์ใดองค์หนึ่งสามารถทาหน้าที่แทนกันได้ตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว พพระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันธพาลิพานไป 2,500 กว่าปีแล้วแต่ความรู้หรือวิธีการเข้าถึงความสุขทางใจนี้ก็ยังมีอยู่ในพระธรรมคำสอนที่ได้มีการจดจาร์ด้วยเอาไว้บันทึกกันเอาไว้เจ้า จ, จดจำกานเอาไว้แล้วก็ยังมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ สามารถเข้าถึงความสุขทางใจได้สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนให้ผู้ที่ปรารถนาได้พบกับความสุขทางใจสามารถเข้าไปเข้าไปพบได้ตอนนี้เรายังโชคดีที่มาเกิดในยุคที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้า ก็มีพระธรรมคำสอนในรูปแบบต่างๆพระธรรมคำสอนที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนของพระสุปฏิปันโนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็เป็นคำสอนอันเดียวกันคำสอนที่จะนำพาสัตว์โลกให้เข้าสู่ความสุขทางใจได้เข้าสู่ความสุข ที่ถาวรได้เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้หลุดมือไปอย่าเสียชาติเกิดการเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่ตักตวงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับการเสียชาติเกิดก็เหมือนกับการ มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสามารถเข้าถึงความสุขที่ถาวรนี้ได้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวรได้ความทุกข์ที่ถาวรก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองจัตโลกนี้ส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการ เวียนไหวตายเกิดแต่อยู่กับกองทุกข์ที่ถาวรมีพระอริยรสงฆ์เท่านั้นที่สามารถหลุดออกจากกองทุกข์ที่ถาวร น, นี้ได้และเข้าสู่กองสุขที่ถาวรได้คือความสุขของพระนิพพานเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาส่งตัดสรู้วิธีการที่จะ ให้เข้าถึงความสุขที่ถาวรนี้แล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ที่ถาวรให้เปลี่ยนการหาความสุขให้เลิกหาความสุขทางร่างกายแล้วให้เข้าหาความสุขทางใจกันอย่างที่พระพุทธเจ้าละพระ อริยสงสาวกได้บำเพ็ญกันตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดมาก็ทรงเกิดมาในกองสุขทางร่างกายเกิดมาเป็นพระราชโอรสแล้วก็ได้อยู่กับกองสุขนั้นอยู่ถึงยี่สิบเก้าปีด้วยกันจนวันหนึ่งพระองค์ทรงไปพบความจริงขึ้นมาว่าร่างกายนี้ เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วจะต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะเป็นของพระเจ้าแผ่นดินของราชโอรสหรือของคนธรรมดาสามัญหรือคนขอทานก็มคีคุณสมบัติเหมือนกันไม่ยกเว้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคน แล้วเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ <Yeah. S 1> เมื่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปในอนาคตในเวลาที่พระองค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Yeah. S 1> พระองค์เลยต้องหาวิธีใหม่ก็ทรงเห็นนักบวช ที่กำลังแสวงหาความสุขทางใจอยู่ก็เลยทำให้พระองค์มีความปรารถนาที่อยากจะไปหาความสุขแบบนักบวชเมื่อถึงเวลาอันควรตอนที่พระองค์มีพระชนมายุ 29,000 ษาตอนที่พระองค์ทรงทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชาโอรสขึ้นมา พระองค์ก็รู้ว่าจะต้องละความสุขทางร่างกายนี้แล้วต้องออกไปหาความสุขทางใจในวันนั้นในคืนนั้นเพราะถ้าไม่ไปก็จะไม่สามารถไปได้เพราะพระราชโอรสนี้เป็นเหมือนบ่วงที่จะรัดพระไทยของพระองค์ให้ติดอยู่กับการเลี้ยงดูพระราชโอรส ให้ติดอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายต่อไปพอง เ, เลยต้องเสด็จนี้ออกจากพระราชวังไปในยามค่าคืนนั้นโดยไม่บอกกล่าวให้ใครรู้เพราะถ้ามีใครรู้ก็จะต้องมีการยับยั้งอย่างแน่นอนเองต้องเสด็จออกไปอย่างเงียบๆแล้วก็ไปออกบวชไปแสวงหาความสุขทางใจ เพราะการจะได้ความสุขทางใจนี้จะต้องสละความสุขทางร่างกายไปนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราต้องการที่จะเทเครื่องดื่มเข้าไปในถ้วยถ้าในถ้วยยังมีเครื่องดื่มอยู่เครื่องดื่มเก่าอยู่เราต้องการเทเครื่องดื่มใหม่เข้าไปเราก็ต้องเททิ้ง เครื่องดื่มเก่าที่มีอยู่ในถ้วยไปก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเทเครื่องดื่มใหม่เข้าไปได้การที่จะเอาความสุขใหม่เข้าสู่ใจเราก็ต้องเอาความสุขเก่าออกไปความสุขเก่าก็คือความสุขทางร่างกายเราต้องเททิ้งไปเพื่อที่เราจะได้มีที่ให้ความสุขใหม่เข้ามานั่นเอง จึงจำเป็นที่จะต้องทิ้งความสุขเก่าไปทิ้งความสุขทางร่างกายไปทิ้งความสุขทางราบยศสรรเสริญทิ้งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากความสุขทางร่างกายชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้สร้างความสุขทางใจขึ้นมา ความสุขทางใจนี้ต้องอาศัยการอยู่ตามลาพังอยู่ที่ห่างไกลจากลาบยศสะละเสริญอ่างไกลจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นตามป่าตามเขาเป็นที่ไม่มีสิ่งที่จะมายั่วยวนกวนใจสิ่งที่จะไม่มีมาดึงใจให้ไปหาความสุขทางร่างกาย แล้วก็จะต้องสร้างความสุขทางใจนี้ขึ้นมาเพราะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ห่างไกลจากความสุขทางร่างกายแล้วความสุขทางใจก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเองความสุขทางใจปรากฏจะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องมีการควบคุมบังคับใจให้เข้าสู่ความสงบให้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆ เพราะความคิดปรุงแต่งนี้จะทำให้ใจไม่สงบนั่นเองเวลามีความคิดปรุงแต่งก็จะมีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาจะหาความสุขทางกายขึ้นมาก็จะทำให้ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะต้องกลับไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปผู้ที่ออกบวชบางท่าน บางทีออกบวทไปแล้วแต่ไม่มีความสามารถที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งได้ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางการหาความสุขทางร่างกายพอคิดแล้วก็เกิดความอยากที่จะไปหาความสุขทางร่างกายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ทําให้อยู่ตามลาพังไม่ได้เกิดความรู้สึกเหงาว้าเหวเกิดความรู้สึกทรมานใจ จนในที่สุดก็ต้องกลับไปหาความสุขทางร่างกายต่อไปนี่คือลักษณะของนักบวชสมัยนี้สมัยนี้ไม่ได้บวชเพื่อที่จะหาความสุขอย่างแท้จริงกันบวชชั่วคราวบวชเพื่อให้เป็นสิริมงคลซึ่งไม่รู้ความหมายของคำว่าสิริมงคลนี้คืออะไร การบวชเพื่อให้เป็นเสรีมงคลก็คือการบวชเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่เองถึงจะเรียกว่าเป็นศิริมงคลเพราะจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้พบกับความสุขที่ถาวรนแต่ความเข้าใจอันนี้ความจริงอันนี้ถูกความหลงลบเลือนไปหมดสมัยนี้การบวชการเป็นการบวชชั่วข่าวไปเสียส่วนใหญ่ บวชเพื่อที่จะได้บุญได้กุศลได้ความเป็นเสริฐมงคลโดยที่ไม่รู้ว่าบุญกุศลเสริฐมงคลนี้คืออะไรบวชไปก็เชื่อกันไปตามที่มีการพูดมีการปฏิบัติกันมาจึงไม่มีใครบวชกันอย่างจริงจังกันยกเว้นคนที่ ได้ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะเข้าใจถึงความหมายของการมาบวชว่ามีความหมายว่ายอย่างไรมีเป้าหมายเพื่ออะไรคำว่าภิกษุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดนี้เอง การมาบวชนี้พอบวชเป็นพระแล้วเขาก็จะเรียกว่าภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดผู้เห็นภัยในการหาความสุขทางร่างกายผู้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการหาความสุขทางใจนี่คือความหมายของพระภิกษุสมัยพระพุทธกาลนี้บวชแล้วไม่มีใครเสือ ก, กัน บวชแล้วมุ่งไปสู่พระนิพพานกันทั้งนั้นอแต่สมัยนี้ความเข้าใจในเรื่องของการบวชบวชนี่ถูกอพลิกพลงไปเปลี่ยนไปสมัยนี้เข้าใจว่าบวชเพื่อทดแทนพักคุณของบิดามารดาบวชเพื่อให้บิดามารดาได้ไปสวรรค์อบวชเพื่อให้ตอนมี บุญมีกุศลมีความเป็นสิริมงคลเพื่อเวลาที่ลาสิกขาไปแล้วจะได้ดำรงชีวิตอย่างเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในทางลาบยศสารเสรญสุขแต่ไม่รู้หรอกว่าการเจริญทางลาบยศสารเสรญสุขนี้เป็นการเดินเข้าหากองทุกนั่นเองเพราะ ลาบยศสารเสริญสุขนี้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขไปเวลานั้นความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญสุขก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของการบวชสมัยนี้กับการบวชสมัยพระพุทธกาลนี้เป็นคนละเรื่องเลย ถ้าเป็นศาสนาก็เหมือนกับเป็นคนละศาสนาเลยสมัยนี้ไม่มีใครบวชเพื่อที่จะไปนิพพานกันไม่มีใครบวชเพื่อที่จะได้ไปพบกับความสุขทางใจกันบวชเพื่อจะได้กลับมาหาความสุขทางร่างกายกันบวชเพื่อที่จะศึกศึกแล้วจะได้เอาการบวชนี้มาเป็นเครื่องมือ ที่จะสนับสนุนให้ได้พบกับความสุขทางร่างกายกันซึ่งเป็นการหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวถ้าไม่ศึกษาพระพุทธเจ้าพ ร, พระประวัติของพระพุทธเจ้าไม่ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างท่องแท้ก็จะไม่เข้าใจ ว่าเป้าหมายของการบวชนี้บวชเพื่ออะไรแต่ถ้าได้ศึกษาก็จะรู้พระพุทธเจ้าบวชเพื่อให้ได้ออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทรงเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองเห็นภัยในวัฏฏะสงสารและทรงเห็นคุณของการได้เข้าสู่ความสงบที่แท้ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่พระองค์ก็ทรงบําเพ็ญทรงบวชทรงบําเพ็ญจนได้พบความสุขทางใจที่ถาวรแล้วก็ไม่เคยคิดลาศิกขากลับไปเป็นพระราชาโอรสกลับไปเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจักรพรรดินีเพราะทรงเห็นว่าการเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือมหาจักรพรรดนี้เป็นการไป เข้าไปสู่กองทุกนั่นเองเพราะเมื่อมีทรัพย์สมบัติมีอะไรก็จะต้องปกป้องดูแลรักษาก็อาจจะต้องมีการทำสงครามกันมีการเข็นฆ่ากันมีการฆ่าฟันกันมีการสร้างเวรสร้างกรรมให้ต่อกันพระองค์ก็เลยไม่เคยได้คิดดาศิกขาไม่เคยคิดที่จะกลับไปเป็นพระมหาจากักรพรรดิ ก็เห็นว่ามันเป็นทางสู่ความทุกข์ทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดแต่ความสุขที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนี้เป็นความสุขที่นำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นความสุขที่มีความอิ่มมีความพอไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปไม่ต้องการลาบยศเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมู ก, กลินกาย พาษาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ได้ศึกษาได้ฟังพระธรรมอย่างท่องแท้เข้าใจเป้าหมายของการบวชอย่างท่องแท้ว่าบวชเพื่ออะไรท่านก็บวชกันแล้วก็บำเพ็ญกันปฏิบัติกันจนในที่สุดท่านก็ได้เข้าถึงความสุขที่ถาวรได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ที่ถาวรแล้วท่านก็ไม่มีใครคิดที่จะเสือ ก, กัน อยู่กันไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของร่างกายแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปนี่แหละคือการบวชที่แท้จริงการบวชที่ถูกต้องบวชเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดบวชเพื่อให้เข้าสู่ความสุขที่ถาวร คือความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังนความสุขของพระนิพพานเป็นบรมมาสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอันใดที่จะเหนือท่เหนือกว่าความสุขของพระนิพพานนี้ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับของใจนี่อยู่ที่การออกบวชอยู่ที่การปฏิบัติ ทำเพื่อสร้างความสงบนี้ขึ้นมาพอออกบวชแล้วก็ต้องคอยห้ามปามไม่ให้ใจกลับไปหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปด้วยการสมาทานศีลศีลนี้มีไว้เป็นเหมือนรั้วกัน้นไม่ให้ใจกลับไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองเช่นศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดนี้จะเป็นรั้วกั้นไม่ให กลับไปหาความสุขทางร่างกายกันศิลข้อสามก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ใหไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันศีลข้อหก็ห้ามไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญได้จะทําให้มีความง่วงเหงาเหงานอนมีความเกลียดค้านจะไม่สามารถ สร้างธรรมะสร้างความสุขทางใจได้ถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็เลยต้องห้ามไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือจากบันเทิงหรือมหัศจรสย์หรือจากการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือไปงานเลี้ยงต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่จําเป็นจะต้องละจะต้องตัดถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจต้องทิ้งความสุขเหล่านี้ไปจึงต้องมีศีลไว้กัน้นไม่ให้ผู้ที่ออกบวชแล้วหันหลังกลับไปหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปให้หันหน้าไปหาความสุขทางใจกันด้วยการเจริญ สติด้วยความเพียรพยายามตลอดเวลาตั้งแต่เตือนขึ้นมาจนถึงหลับนี่ถ้าอยากจะให้ใจสงบนี้ต้องเจรรสติขึ้นมาก่อนสตินี้เป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์ถ้าต้องการให้รถยนต์ที่วิ่งอยู่นั้นหยุดลงก็ต้องเหยียบเบรกกันรถยนต์ถึงจะหยุดได้ใจ ก็เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งด้วยอะไรวิ่งด้วยความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้เองถ้าต้องการให้ใจหยุดนิ่งให้ใจสงบให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบก็ต้องมีเบรกหยุดความคิดปรุงแต่งเบรกที่จะมาหยุดความคิดปรุงแต่งนี้เรียกว่าสติคือการละเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นให้เราเลิกอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราลิกอ ย, อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธใจก็จะไม่สามารถคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆได้การสร้างสตินี้มีเครื่องมือที่จะสร้างอยู่ถึง40สวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40กรรมฐานสี่สิบนี้สี่สิชนิดนี้ เป็นเครื่องมือสร้างสติที่ผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆสามารถนำเอามาใช้หยุดความคิดปรุงแต่งได้แต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กรรมฐานทั้งสี่สิบชนิดเราสามารถเลือกใช้กรรมฐานที่เหมาะกับเจริตของเราเป็นเหมือนกับอาหารที่เราสามารถเลือกรับประทานได้ เราไม่ต้องรับประทานอาหารทั้งสี่สิบชนิดเราเพียงเลือกอาหารชนิดหนึ่งหรือสองหรือสามชนิดที่จะทาให้ใจที่จะทาให้เรารับประทานอาหารแล้วอิ่มก็ใช้ได้ใจก็เหมือนกันใจก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องสร้างสติเพื่อที่จะได้มาหยุดความคิดปรุงแต่งก็ต้องเลือกเอาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ ท่านเลือกเอาพุทโธคำบริกรรมพุทโธเพราะอาจารย์ใหญ่ในยุคปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นท่านสอนให้บริกรรมพุทโธพุทโธลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษาก็พุทโธพุทโธกันเจริญสติสร้างสติกันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพอมีพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ความคิดปรุงแต่งก็ไม่สามารถที่จะคิดปรุงแต่งได้ก็ต้องหยุดไปพอหยุดไปความสงบก็โผล่ขึ้นมาความสุขก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราเหยียบเบรกไปเรื่อยๆไม่ปล่อยเบรคเดี๋ยวรถยนต์ก็ต้องหยุดเพราะเบรกนี้จะเป็นตัวที่จำกับไม่ให้รถยนต์วิ่งนั่นเอง แต่ถ้าเราเหยียบเบรกเพียงแต่แตะเบรกครั้งเดียวแล้วเราก็ปล่อยรถยนต์มันก็ยังจะไม่หยุดมันก็จะยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปจนกว่ามันจะหยุดเวลามันหยุดแล้วพอเราถอดเกียร์ว่างแล้วทีนี้เราก็ปล่อยเบรกได้มันก็จะไม่วิ่งไปไหนต่อไปฉันไดการใช้เบรก ค, คือสติก็เหมือนกัน ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้เรื่อยเวลาเรานั่งเฉยเฉยนั่งหลับตานี่เดี๋ยวมันก็จะหยุดหยุดแล้วมันก็จะเข้าเกียวว่างพอจิตเข้าเกียวว่างเราก็ปล่อยเบรกได้ไม่ต้องพุทโธอีกต่อไปการเข้าเกียวว่างของใจเป็นไงก็ตอนที่มันตกหลุมตกบ่อเข้าไปเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราเผลอเราไม่ไป คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรเราอยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะพาให้เราไปตกหลุมตกบ่อเพอตกลุมตกบ่อแล้วใจก็จะเข้าเกียวว่างมันก็จะไม่คิดปรุงแต่งการบริกรรมพุทธโธก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องทำอีกต่อไปในตอนนั้นตอนที่จิตเข้าเกียว่างแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้พุทธโธพุทธโธ พอเรารู้จักวิธีเอาใจเข้าเกียร์ว่างแล้วต่อไปเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็สามารถใช้สตินี้คอยดึงใจให้อยู่ในเกียร์ว่างได้เวลาใจอยู่ในเกียร์ว่างมันก็จะไม่คิดปรุงแต่งไปหาความสุขทางร่างกายใจก็จะมีความสุขได้อยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขเพราะสิ่งต่างๆที่ ใจไปหามาให้ความสุขนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดไปมีวันจากกันไปเวลาหมดไปเวลาจากกันไปก็ทำให้ใจว้าเหวททำให้ใจหิวโหยขึ้นมาอีกแต่การมีความสุขทางใจการที่ใจอยู่ในเกียวว่างนี้ไม่ได้ทำให้ใจหิวโหยแต่ทำให้ใจอิ่ม ทำให้ใจพอนี่คือเรื่องของการสร้างความสุขทางใจเราต้องใช้กรรมฐานเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าเกียวว่างกรรมฐานก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่ดึงใจให้เข้าเกียยวว่างได้ชั่วคราวกับกลุ่มที่ดึงใจให้เข้าเกียวว่างได้อย่างถาวอนกลุ่มที่เข้า เกี่ยวว่างได้ช่วยข่าวเราเรียกว่าส ม, มถกรรมฐานส่วนที่ให้ใจเข้าเกี่ยวว่างได้อย่างถาวรเราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีอะไรบ้างเช่นมรณนุสติเช่อนอสุภกรรมฐานเช่นกายกตาสติเช่นธาตุสอ กรรมฐานเหล่านี้จะทำให้ใจเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นของชั่วคราวว่าเป็นทุกข์เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการเราได้เสมอไปถ้าเราเห็นด้วยสมถกรรมฐานมันก็จะสงบ แต่เวลาที่เราไม่ได้ใช้สมถากรรมฐานความสงบ ก, ก็หายไปได้เพราะความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีวิปัสสนากรรมฐานมีอสุภมะมีมรณานุสติมีธาตุสี่ดินน้ำน้ไฟมีอาการส2สอง มีอาหาในปฏิกูลแลสัญญามาเป็นอารมณ์ในการสร้างสตินถ้าเรามีกรรมฐานเหล่านี้อยู่ในใจเราจะสามารถหยุดการหาความสุขทางร่างกายได้อย่างถาวรรลลักษาให้ใจอยู่ในเกียว่างได้อย่างถาวรอันนี้คือเรื่องของการสร้างความสุขทางใจมีสองระดับด้วยกัน ระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาเป็นการสร้างความสุขชั่วคราวเวลาที่ใจเข้าสู่เกียวว่างด้วยอำนาจของอสมถกรรมฐานแถ้าแล้วก็ระดับที่สองก็คือความสุขที่ถาวรความสุขที่เกิดจากการใช้วิปัสสนากรรมฐานมาดึงใจให้เข้าไปสู่ เกียวว่างอย่างถาวรผู้ที่มีวิปัสสนากรรมฐา น, านจะสามารถกำจัดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางร่างกายได้อย่างถาวรจะไม่มีความอยากจะกลับไปหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปจะสามารถเจริญพัฒนาความสุขให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไป จนถึงขั้นสูงสุดตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของการหาความสุขทางใจหาความสุขที่ถาวรจำเป็นจะต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้สอนมาเป็นผู้บอกทางเมื่อเราได้ร่ำเรียนแล้วเราก็ต้องบำเพ็ญเราก็ต้องปฏิบัติตาม ท่านก็สอนให้เราทิ้งความสุขทางร่างกายไปก่อนถ้าเราไม่ทิ้งความสุขทางร่างกายเราจะไม่สามารถสร้างความสุขทางใจได้เหมือนกับเราต้องเทเครื่องดื่มเก่าที่ติดอยู่ในถ้วยทิ้งไปก่อนเราถึงจะสามารถเทเครื่องดื่มใหม่เทเข้าไปในถ้วยได้ต้องเทความสุขทางร่างกายออกจากใจไปสลัดมันออกไปสลัดทิ้งไป แล้วเพื่อแล้วเราก็มาสร้างสติสร้างปัญญากันสร้างสมถะสร้างวิปัสสนากรรมาฐานกันเพื่อที่จะได้เอาความสุขทางใจเข้ามาสู่ใจอย่างถาวรต่อไปอันนี้ก็ต้องเป็นเราเป็นผู้ปฏิบัติไม่มีใครปฏิบัติได้ปฏิบัติแทนเราได้พวกเราทุกคนนี้ปฏิบัติได้เพราะพวกเรามีใจเหมือนกันหมดทุกคน ใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นใจของพระหรือใจของคารวาสใจของหญิงใจของชายใจของเด็กใจของผู้ใหญ่ใจของคนไทยใจของคนฝรั่งเป็นใจเหมือนกันมีคุณสมบัติเหมือนกันเป็นผู้รู้เหมือนกันเป็นผู้คิดเหมือนกันเป็นผู้ที่สามารถรับกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเข้าไปสู่ใจ เพื่อที่จะทำให้ใจเข้าสู่เกียรว่างได้เข้าสู่ความอิ่มความพอเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากการเข้าไปในเกียรว่างนี้ได้ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางใจเหล่านี้ทุกใจทุกประเภทนี้ใจสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดอยู่ที่ว่าจะ อยากจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าอยากจะปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าปฏิบัติได้กันทุกคนทุกเพศทุกวัยทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชทั้งคาลวอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงผิดอย่าไปเข้าใจผิดไปคิดว่า เราไม่ได้เป็นนักบวชเราไม่สามารถที่จะบําเพ็ญได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกคนปฏิบัติได้ขอให้อยากปฏิบัติเท่านั้นถ้ามีความอยากจะปฏิบัติแล้วความเพียรมันจะตามมาความขยันมันเพียรจะตามมาความเข้มแข็งความอดทนความกล้าหาญมันจะตามมาแล้วมันจะทําให้ เราทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราสามารถจะทำได้ขอให้เราก้าวไปทีละก้าวก็แล้วกันอย่ามองไปไกลเอาแต่ละก้าวเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็เรียนไปทีละชั้นเราเริ่มต้นที่อนุบาลเราก็เริ่มไปแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับขึ้นสู่ชั้นปถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาตามลำดับไปเองการบาเพ็ญก็เหมือนกัน ก็เริ่มต้นจากการที่เราทิ้งความสุขต่างๆทางร่างกายไปแล้วก็ออกไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาความสงบเริ่มต้นเราก็สามารถทำแบบชั่วคราวก่อนได้เช่นไปครั้งละหนึ่งวันก่อนเช่นวันพระก็ไปอยู่วัดกันไปปีกวิเวกกันไปทิ้งความสุขทางร่างกายแล้วก็ไปสร้างความสุขทางใจขึ้นมา เมื่อเราทำแล้วได้ผลเราก็จะเกิดความอยากที่จะทำเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะเพิ่มการไปอยู่วดัดการไปปฏิบัติจากหนึ่งวันไปเป็นสามวันจากสามวันก็ไปเป็นห้าวันเป็นเจ็ดวันต่อไปก็ไปอยู่เป็นเดือนแล้วต่อไปก็อยู่แบบไม่กลับเลยทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรต่างๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้า ไดภาษาวลกทั้งหลายได้ทิ้งกันมันเป็นขั้นเป็นตอนมันไปของมันเองมันถึงเวลาแล้วมันทำได้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคิดตอนนี้มันจะคิดว่ายากเลอเกินทำยังไงทำไม่ได้เราไม่อยากจะทำเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนี้ต้องคิดว่าทำได้ทุกคนทำได้แต่ต้องทำทีละก้าวไปก่อนอย่าไปคิดถึงก้าวสุดท้ายอันนั้นมันไกลเกินไป เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นตอนนี้เราอยู่ตรงจุดอยู่ที่ก้าวแรกขอให้เราทำก้าวแรกของเราก่อนขอให้เราถือศีลในวันพากกันก่อนเลิกกิจกรรมทางร่างกายกันสักหนึ่งวันแล้วมาสร้างความสุขทางจิตใจกันหนึ่งวันก่อนเริ่มจากตรงนี้ไปเถิดแล้วมันจะพัฒนาของมันไปเองเหมือนกับการเดินทางระยะทางจะยาวไกลกี่ร้อยกี่พันกิโล ก็ต้องเริ่มที่ก้าวแรกนี้กันทั้งนั้นญาติโยมจะเดินทางไปอเมริกาก็จะต้องเดินก้าวแรกออกจากบ้านไปก่อนเดินไปขึ้นรถพอไปถึงสนามบินก็เดินไปซื้อตัว๋วเดินไปเข้าไปขึ้นเครื่องมันก็พาเราไปเองเดินไปเป็นขั้นขั้นทำไปตามขั้นตอนของมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกัน ข้อสำคัญขอให้เรามีความอยากไปกันอยากทำกันแต่ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยเราไปไม่ได้เราเราไม่สามารถที่จะไปได้มันก็จะไม่อยากทำกันพอไม่มีความอยากทำแล้วก็จบไม่มีวันที่จะทำได้ปัญหาอยู่แค่ตรงนี้เองอยู่ที่ความอยากจะทำหรือไม่อยากจะทำเท่านั้นเองถ้าลองมีความอยากจะทำแล้วมันทำได้ ความเพียรมันจะมาเองไม่รู้มันมาจากไหนวเวลามีความอยากจะทำแล้วความกล้าหาญความอดทนมันมาเองนี่คือเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจความสุขที่ถาวรและการละหรือการทิ้งความสุขชั่วคราวคือความสุขทางร่างกายไปเราไม่สามารถที่จะมีความสุขทั้งสองประเภทได้พร้อมๆกันถ้าเราเท เครื่องดื่มใหม่เข้าไปในถ้วยที่มีเครื่องดื่มเก่ามันก็จะ ป, ปนกันมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดังั้น ies, ถ้าเราอยากจะได้ของดีกว่าเก่าเราก็ต้องทิ้งของเก่าไปแล้วเราจะได้ของดีถ้าเราเอามา ป, ปนกันมันก็เลยกลายเป็นของเรวกว่าเก่าเสียด้วยซ้ําไปจะดีก็ไม่ดีจะดีเท่าเก่าก็ไม่ดีจะดีเท่าของใหม่ก็ไม่ดีมันเละเทะไปหมด เพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีความอยากเถิดมีความอยากหาความสุขที่ถาวรกันมีความอยากที่จะทิ้งความสุขช่วคราวนี้กันไปเพราะมันเป็นความทุกข์ที่ทำให้เราต้องหลั่งน้ำตามากกว่าน้าในมหาสมุทรเสอีกถ้าเรามีความคิดแบบนี้แล้วเรามองพระพุทธเจ้ามองพระอาหารหันตสาวกเป็นแบบฉบับ เราก็จะมีความอยากขึ้นมาเองแล้วเราก็จะมีความเพียรมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนที่จะปฏิบัติที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ระโสยะาสพีติโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาฒนสีริษะนิจังวุทธาปัจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลา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 เดี๋ยวถ้านนึกออกอยากจะถามอะไรก็ค่อยขึ้นมาถามได้คำถามจากทางบ้านจากคุณวิทยาคุณวิทยาเขาได้อ่านธรรมะโดนใจของหลวงพ่อที่ว่าเมื่อร่างกายสลายไปแล้วใจที่ครองร่างกายนี้ไม่ได้สลายตามไปด้วยก็ต้องไปสวยบุญสวยกรรมต่อ เขาถามว่าใจที่คลองร่างกายนี้ไม่ได้สลายไปตามด้วยต้องไปสวยบุญสวยกรรมต่อคืออะไรครับ ก, ก็ใจไงก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทําบุญทําบาปเป็นผู้กระทําร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้คําสั่งผู้กระทําบุญทำบาปก็คือใจผู้รู้ผู้คิดเอเมื่อร่างกายตายไป ผู้รู้ผู้คิดก็เลยต้องไปรับผลบุญผลบาปคำถามจากคุณนานาเซเวน่นปฏิบัติธรรมมาได้สักระยะหนึ่งตอนนี้ไม่มีภาระในเรื่องการดูแลพ่อแม่เพราะท่านเสียชีวิตหมดแล้วไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงนิพพานอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าหนึ่งเรื่องการออกบวชสำหรับผู้หญิง พระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะเคยแต่ไปขออาศัยตามวัดเพื่อปฏิบัติเป็นระยะแล้วก็กลับมาอยู่ทางโลกเหมือนเดิมก็ต้องทำงานหาเงินและปฏิบัติในชีวิตประจำวันไปนานๆครั้งก็ออกไปปรีวิเวสักครั้งหนึ่งคะ่ะก็ต้องลองไปหาพวกที่เขาบวชเป็นแม่ชีแล้วไปคุยกับเขาดูเราไม่ได้เป็นแม่ชีเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงถ้าอยากจะบวชพระเรายังพอจะแนะนาได้ แล้วเรื่องบวชชีก็ต้องไปคุยกับแม่ชีดูไปหาแม่ชีไปเปิดใน Google หาสำนักแม่ชีดูแล้วก็ลองไปสอบถามดูว่าบวชแม่ชีอยู่บวชได้อย่างไรอยู่กับเขาได้อย่างไรการหาที่อยู่ก็ต้องหาที่มันเหมาะกับเราเพราะแต่ละสำนักเขาก็า จ, จะมีการปฏิบัติไม่เหมือนกันบางทีเขาไม่เน้นในเรื่องการปฏิบัติเขาเน้นในเรื่องสังคมสงเคราะห์ก็มี เน้นเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ก็มีเน้นเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุต่างๆก็มีแลงน้นเราก็ต้องไปหาสำนักที่เหมาะกับเราข้อที่สองการเลือกเดินคนเดียวบางครั้งมีความรู้สึกเหวว้าบ้างเหมือนเส้นทางนี้ยากและยาวไกลพระอาจารย์มีคําแนะนําเพื่อเพิ่มกําลังใจบ้างไหมคะ ก็ต้องพยายามนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็เดินทางเดียวเหมือนกันแต่การที่ท่านเดินได้อย่างสบายก็เพราะว่าท่านมีสติคอยควบคุมใจงนั้นถ้าเราอยากจะเดินทางเดียวนี้เราต้องมีสติเป็นเพื่อนเราต้องสร้างสติขึ้นมาเราสตินี้จะคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้มีความรู้สึกว้าเหว จะให้เรารู้สึกมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจในการเดินทางเส้นนี้เส้นนี้นั้นเราต้องหมั่นเจริญพุทโธอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะไปทางนี้อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งเพราะใจจะไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเรื่องต่างๆบุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆเราก็จะรู้สึกว่าเวขึ้นมา แต่ถ้าเรามีพุโทโธคอยควบคุมไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ความรู้สึกว้าเหว ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ตอนพระอาจารย์เทศใน Facebook เข้ามาอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบคนฮนะตอนนี้อยู่ที่สองร้อยคนแล้วก็ทาง YouTube ตอนที่พระอาจารย์เทศอยู่ที่สามสิบคนแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นสี่สิบสามคนครับคำถามแรกจาก YouTube นะครับ คำถามจากคุณวิรัติครับเมื่อเกิดปิติขณะนั่งสมาธิก็ยังคงดูลมหายใจต่อไปสักพักรู้สึกอารมณ์จะเด่นแน่นขึ้นมาแต่ไม่ได้รู้สึกตกหลุมตกบ่อแต่อย่างใดอยู่ได้ไม่นานก็กลับมาปิติใหม่แบบนี้ต้องกลับมาดูลมใหม่ใช่ไหมคะใช่อย่าทิ้งลมถ้าจิตยังไม่ตกหลุมตกบ่อไม่เข้าสู่ความสงบเข้าสู่เบคาก็ดูลมต่อไป จะมีปิติมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจคำถามต่อไปต่อไปจากเฟซบุ๊กนะครับจากคุณต้องครับโยมคิดว่าการที่เราปฏิบัตินี้โยมคิดว่าเพื่อตัวเองเป็นหลักใช่ไหมคะใครทำคนนั้นได้ที่ที่ได้แน่คือการที่เรามีความปิติมีความสุขก็ส่วนใหญ่การกระทำของเราเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็ก็ทำเพื่อตัวเราทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางไหนทางร่างกายหรือทางใจก็เหมือนกันทำเพื่อความสุขเพียงแต่ว่ามันมีความสุขปลอมและความสุขแท้เท่านั้นเองความสุขทางร่างกายก็เป็นความสุขปลอมความสุขทางใจก็เป็นความสุขแท้แต่ความสุขทางใจนี้มันต้องไปอยู่คนเดียวแต่ความสุขทางร่างกายนี้มันหาความสุขร่วมกับคนอื่นมันก็เลยทาให้คิดว่าไม่เป็นการเห็นแก่ตัวเวลาหาความสุขทางร่างกาย เราหาความสุขร่วมกันเวลาหาความสุขทางใจนี่เราต้องไปหาคนเดียวก็ここเลยทำให้เกิดความคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปความจริงมันก็เป็นการเห็นแก่ตัวทั้งสองแบบหาความสุขทางร่างกายก็เพื่อความสุขของตัวเองแต่ต้องมีคนอื่นร่วมด้วยถึงจะมีความสุขได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นการเห็นแก่ตัว่การหาความสุขทางใจนี่ต้องหาความสุขตามลาพัง ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวขึ้นมาเท่านั้นเองความจริงมันก็เห็นแก่ตัวทั้งสองแบบนั่นแหละคำถามต่อไปจากคุณสราพุธครับจิตการเกิดดับอะไรเกิดอะไรดับอย่างไรครับอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิตเนี่ยจิตถ้าเปรียบตัวก็เป็นเหมือนตัวหิ่งห้อยแล้วแสงหิ่งห้อยนี่มันเป็นเหมือนอาการที่อยู่ในตัวหิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยมันก็ เกิดดับเกิดดับแต่ตัวหิ่งห้อยก็ไม่ได้เกิดดับไปกับแสงนั้นตัวจิตเองตัวผู้รู้เองก็ไม่ได้เกิดดับไปกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเช่นความรู้สึกเนื้อคิดต่างๆนี้มันก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเศร้าซร้อยหงอยเหงาเดี๋ยวว้าเเอนี่ก็เป็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดดับเกิดดับ แต่ตัวรู้ตัวจิตนั้นไม่ได้เกิดดับไปกับอารมณ์ต่างๆตอนตอนที่คำถามหมดนะฮะแต่มีมีเขียนมาว่าจากคุณจินนี่เนี่ยฮะแต่น่าจะถามไมหมดนะฮะลูกชายวัยลูกชายสองคนสูบบุหรี่จัดอายุยี่สิบแปดอายุยี่สิบสองกับสิบแปดปีเตือนก็ไม่ฟังนอนดึกตื่นเที่ยงพาเข้าไปดูคนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไปพาไปดูที่โรงพยาบาล รักษาโรคปอดรักษาโรคอะไรที่เกิดจากบุหรี่การสูบบุหรี่อมันต้องเห็นผลมันถึงจะเข้าใจว่าทําอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดตามมาถ้าเขาไม่เห็นผลไม่เห็นภาพเขาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวงกันก็ได้ดังนั้นต้องพาให้เขาไปดูคนที่สูบบุหรี่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาคําถามต่อไปจากคุณแพวณภาครับฝึกนั่งสมาธิครั้งแรก ประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้สึกสงบค่ะถ้าเพิ่มเวลานั่งจะทำให้สงบมากขึ้นไหมคะเวลาก็มีส่วนแต่เวลาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ถ้านั่งเพิ่มเวลาแต่ไม่มีสตินั่งไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดีอย่างที่ไม่สงบปัญหาแรกก็คือสติไม่ดีส ต, ดสติไม่ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะนั่งนานก็จะไม่สงบต้องเพิ่มสติให้มีความต่อเนื่องมากขึ้นไป แล้วจะสงบได้ง่ายสงบได้เร็วนั่งอยู่ได้นานคำถามต่อไปจากคุณวัชรพลครับหลวงพ่อช่วยเมตตาอธิบายภาวะการตกหลุมตกบอ่อได้ไหมครับเหมือนกับเวลาที่คำบริกรรมหายไประหว่างภาวนาใหม่ครับ อ, อ๋อไม่หายแล้วคือมันตกหลุมตกบอ่อระหว่างที่เรากำลังภาวนาบริกรรมอยู่แล้วพอมันตกหลุมตกบอ่อแล้วคาบริกรรมมันถึงค่อยหยุดไปมันไม่ได้ตกหลุมตกบอ่อเพราะว่าเรา หยุดบริกรรมเอเราบริกรรมไปแล้วมันตกลุมตกบอ่อแล้วมันถึงจะหยุดบริกรรมตามมาทีหลังตอนตอนนี้คําถามหมดนะครับอนั่งพักเดี๋ยวก็ได้ขอดื่มน้ำหน่อยมีคําถามเข้ามาไหมมีคําถามจากเ อ, อคนที่ขึ้นมาฟังฟังพระอาจารย์ตอนนี้นะครับบาปของคนทำแท้งจะมีชีวิตอย่างไร และวควรควรแก้ไขและปฏิบัติตนเองอย่างไรชีวิตถึงจะดีขึ้นมันก็เหมือนกับมีมีอะไรฝังอยู่ในใจเนะี่ยเวลาเราทำบาปแล้วความรู้สึกไม่ดีต่อการกระทำบาปนั้นมันก็จะฝังอยู่ในใจเราวิธีที่จะ คือเราไปแก้บาปนี้ไม่ได้บาปนี้ทําแล้วมันก็ต้องมีโอกาสส่งผลมันก็จะส่งผลเช่นเราอาจจะไปเกิดในท้องใครแล้วเขาก็ถูกเขาทําแทงไปจะไม่ได้เกิดมันเหมือนกับกองกรงกรมกงเกวนถ้ามันใดไว้ก็จะต้องรับผลกรรมนั่นทาเขาแทงก็อาจจะต้องถูกเขาทําเราแทงบ้างแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็ขอให้เราพยายามสร้างกุศลสร้างบุญกันไป เพื่อจะได้มีกําลังที่จะต้านทานการจะกระทํำบาปซ้ำซ้ซ้ําซ้อนอีกถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีกําลังเวลาที่เราตกอยู่ในภาะวะขับขันแบบนั้นเราก็อาจจะกลับไปทําแท้งอีกก็ได้ดังนั้นเราต้องพยายามแก้ปัญหาใหม่ที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดป้องกันปัญหาใหม่ ที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดด้วยการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้มีมากขึ้นรักษาศีลให้ได้ทำบุญทำทานให้มากขึ้นแล้วก็พยายามจเจริญสติควบคุมใจทําใจให้สงบถ้าเรามีบุญกุศลเหล่านี้ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เรากลับไปทําบาปซ้ำซากได้คำถามต่อไปจาก facebook ครับจากคุณต้องครับ การที่โยมได้เรียนรู้การปฏิบัติทำให้โยมรู้ว่าจิตและความคิดของตัวเองนี้น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและมันทำให้เราระวังความคิดของตัวเองมากขึ้นนี่คือปัญญาจากการปฏิบัติใช่ไหมคะก็ใช่ก็แต่เป็นปัญญาที่นำไปสู่ปัญญาที่จะมากําจัดปัญหาเหล่านี้เบื้องต้นเราต้องเห็นปัญหาก่อนอคือพระพุทธเจ้าสอนอ สัตยธรรมสี่ข้อความจริงสี่ข้ อ, อความร้ายแรงก็จากความคิดตรุงแต่งไปในทางความอยาก อ, อันนี้เป็นการเป็นการเห็นปัญหาแล้วก็ขั้นต่อไปก็ต้องเอาปัญญาที่จะมากำจัดปัญหาเหล่านี้ปัญญาที่จะกำจัดปัญหาเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็ต้องรู้ว่าวิธีที่จะ ทำลายความคิดอันร้ายกาดเหล่านี้ก็ต้องทำลายด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันนั้นแหละเป็นปัญญาที่สำคัญกว่าปัญญาอันแรกแต่ปัญญาแรกก็สำคัญเหมือนกับหมอเวลาคนไข้มาหาบอกว่าไม่สบายหมอก็ต้องค้นหาปัญหาก่อนว่าเกิดจากอะไรเมื่อหมอรู้ปัญหาแล้วหมอก็จะได้หายาที่เหมาะกับปัญหานั้นมาแก้ไขจะเรียกว่าเป็นปัญหา เป็นปัญญาก็ได้เป็นปัญญาในการวินิจฉัยว่าเรามีโรคมีภัยมีไข้นขั้นต่อไปก็ต้องเอาหาปัญญาที่จะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็ต้องรู้ว่าต้องเกิดจากการบาเพ็ญศีลสมมาธิปปัญญาคำถามต่อไปจากคุณเฉลิมพลครับมีสองคำถามนะครับคำถามแรกการบริกรรมพุทโธต้องออกมาจากฐานใดๆของร่างกายไหมครับ ไม่ต้องเราออกมาจากคำพูดนั่นแหะให้อยู่กับคำพูดคำคิดนั้นไม่ใช่คำพูดต้องเป็นความคิดเพราะเราบริกรรมโดยไม่ออกเสียงเราเลือกอยู่ภายในใจเหมือนกับเราคิดเวลาเราคิดเราก็ไม่ได้ออกเสียงถ้าออกเสียงคนก็ดูว่าเราคิดอะไระเนี่ยเวลาดา่าใครในใจนี่เราไม่ได้ออกเสียงออกมาก็ให้แบบนั้นให้คิดอยู่ในใจคำถามข้อที่สองบริกรรมพุโทโธพร้อมกับเพ่ง รูปพระพุทธรูปที่ชอบไปด้วยเหมาะสมไหมครับตอนหลับตาก็ได้ถ้าสองถ้าทําให้ใจสงบก็ได้ถ้าหลับตาแล้วก็นึกถึงพระพระพุทธรูปพร้อมกับบริกรรมพุทโธไป ก, ก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรลองทําดูก็แล้วกันว่าถ้าทําแล้วสงบก็ดีก็ใช้ได้ ถ้าทำแล้วไม่สงบก็ลองเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดูเอาคำบริกรรมอย่างเดียวหรือเพลงรูปอย่างเดียวดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันก็มีสามทางเลือกคาถามต่อไปจากคุณจิตราวันครับการที่เราหยิบเงินสามีทุกวันเพื่อใช้จ่ายซื้อของโดยที่ไม่ได้บอกสามีผิดศีลข้อสองไหมคะก็อยู่ที่ว่าสามีอนุญาตไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าสามีอนุญาตว่าเงินของเราเป็นเหมือนเงินของเธอก็ไม่มีปัญหาเลย แต่ถ้าเขาแม่นุญาตก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์เพราะการเอาของของผู้อื่นที่เขาแม่อนุญาตนี้ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์นั่นเองคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสีนาศครับสิ่งแวดล้อมในเมืองกับสิ่งแวดล้อมในป่าเขามีผลต่อการทําสมาธิอย่างไรคะสิ่งแวดล้อมในป่าเขามันไม่กระตุ้นกิเลสความโลภความอยากความโกรธ แต่สิ่งแวดล้อมในบ้านในเมืองนี้มันจะกระตุ้นความโลภความโกรธความหลงความอยากทําให้ใจปั่นป่วนทําให้ใจวุ่นวายทําให้ใจไม่สงบแต่ความสิ่งแวดล้อมในป่านในเขานี้มันจะไม่กระตุ้นกิเลสตัณหามันจะทําให้ใจสงบคํถาถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ เพื่อนในกลุ่มชอบพูดสองแงสองง่ามแบบสนุกสนานทั้งผู้ชายผู้หญิงก่อนปฏิบัติธรรมจะรู้สึกไม่ดีปัจจุบันหลังปฏิบัติธรรมจะฟังเฉยๆอยากเตือนเพื่อนมีข้อแนะนําไหมคะก็อยู่ที่ว่าเขาจะให้เราเตือนหรือเปล่าถ้าเขาขอความช่วยเหลือบอกช่วยเตือนเราหน่อยเวลาที่เราพูดอะไรไม่ดีเราก็เตือนเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ขอร้องอย่าไปเตือนเขาเดี๋ยวจะเสียเพื่อน คำถามต่อไปจากคุณวรวันครับบางครั้งเราต้องพูดปดเพื่อให้ผู้อื่นสบายใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่อยากพูดปดเราบาปไหมคะถ้าเรายอมติดคุกเพื่อให้คนอื่นเขาสบายใจก็ไปติดคุกด้วย ไ, ไปโกหกไปบอกว่าผมเป็นคนขโมยครับผมรับขอเข้าไปอยู่ในคุกเองเพื่อให้คนเพื่อนเราจะได้สบายใจไม่ต้องติดคุกก็ทําไปก็ไม่มีใครว่าเลยทําบาปมันก็บาปอะ่ะ คำถามต่อไปจะคุณประดิษฐ์ครับคำว่าบุญกุศลคำว่าบุญหรือกุศลนั้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับคำว่าบุญก็คือความสุขใจกุศลแปลว่าความฉลาดใจกุศลเกิดจากปัญญาเกิดจากความรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้เรียกว่ากุศลบุญเกิดจากการเสียสละแบ่งปันทําคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แต่ก็เป็นความสุขทั้งสองอย่างบุญก็ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมากุศลก็ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่สุขกันในระดับต่างกันความสุขที่ได้จากกุศลนี่มันจะหนักกว่ามันจะดีกว่ามันจะท้าวรนกว่ากว่ากุศลที่เกิดจากการทำบุญเพราะกุศลนี่จะกาจัด กิเลสตัณหานั่นเองที่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆพอเรามีกุศลมีปัญญาเราก็กําจัดกิเลสตัณหาได้พอไม่มีกิเลสตัณหาใจก็สงบมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญคําถามต่อไปจากคุณวรวรรณครับไปตรวจร่างกายโดยสาเหตุขาชาอ่อนแรงแต่ไปตรวจหาหมอแล้วไม่เจอสาเหตุ เป็นโรคกใช่ไหมคะแล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพราะทานยาไม่หายค่ะก็ทำใจทํทำใจให้อยู่กับมันไปเมื่อเราไม่สามารถกาจัดมันได้ก็ต้องอยู่กับมันไปการที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขก็คืออย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายแล้วมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากให้มันหายยินดีให้มันอยู่เราก็มีความสุขกับมันได้ คำถามต่อไปจากคุณพิไลพรครับการทำบุญกับพระที่ท่านปฏิบัติดีได้อา น, นิสง์มากใช่ไหมคะเปรียบกับการทานาในที่ดินที่ผลในที่ดินที่ดีที่ผลที่ได้ต่างจากการทำต่างจากทานาในที่ดินไม่ดีก็ได้ผลน้อยอันนี้ถูกต้องไหมคะจะว่าถูกต้องก็ได้แต่เราต้องฟังเทศฟังธรรมจากท่านเราถึงจะได้รับประโยชน์ ถ้าเราเพียงแต่สายบาแล้วเรากลับบ้านเราจะสายกับองค์ไหนก็เท่ากันเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเหมือนกันแต่เราจะไม่ได้บุญจะไม่ได้กุศลที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านถ้าพระมีธรรมมากเราก็จะได้กุศลมากเพราะว่าความรู้มากปัญญพร้อมรู้ที่สูงขึ้นก็มีประโยชน์มากกว่าความรู้ที่ต่ําเช่นฟังธรรมจากพระโสดาบานันในสู้ฟังธรรมจากพระ อารหันไม่ได้เพราะพระอารหันนี้มีความรู้มากกว่าพระโสดาบันนันเรียนหนังสือจากครูที่จบปริญญาตรีกับเรียนหนังสือจากครูที่จบปริญญาเอกความรู้ที่เราจะได้รับถ่ายทอดจากท่านมันไม่ไ ม, ไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเพียงแต่ใส่บาตรแล้วกลับบ้านจะเป็นใครแม้แต่ขอทานเราก็ได้บุญเหมือนกัน แต่เราจะไม่ได้กุศลถ้ า, าอยากได้กุศลก็ต้องรอให้ท่านเทศฟังเทศฟังธรรมของท่านคำถามต่อไปจากคุณปลีกวิเวกนะครับพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิจิตใจฟุ้งซ่านมากนั่งไม่ค่อยได้ดีเลยครับมีวิธีไม่ให้ฟุ้งซ่านไหมครับนั่งเพราะไม่มีสติมันก็ฟุ้งเลยเออต้องมีสติต้องฝึกสติก่อนมานั่งต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน สติเ ป, สตเป็น เ, นเบรคของรถยนต์ถ้าเรารู้ว่ารถยนต์ไม่มีเบรคเราก็จะขับรถออกไปข้างนอกไหมออกไปถึงสี่แยกไฟแดงมันก็ไม่หยุดนะงั้นก่อนที่เราจะออกรถไปข้างนอกเราต้องเช็คดูก่อนว่ามีเบรกหรือเปล่าไม่มีเบรคเราก็ต้องไปติดเบรคก่อนอัในใดก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบเราก็ต้องมีเบรกก่อนเราต้องมีสติก่อน แล้วเราต้องสร้างสติก่อนที่เราจะมานั่งแล้วเราต้องสร้างตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราสามารถสร้างสติได้เลยพุทโธไปเลยในขณะที่เรายังไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆอาบน้ำแต่งตัวทำอะไรเตรียมตัวจะไปทำงานนี่เป็นเวลาที่เราสามารถสร้างสติได้จนไปถึงเวลาที่เราทำงานนั่นและเราถึงอาจจะหยุดเราก็ใชส้สร้างสติด้วยการจดจ่ออยู่กับงานที่เราทาต่อไป คิดอยู่กับงานอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่อยเปื่อยก็ยังเป็นการสร้างสติอยู่เหมือนกันแล้วพอเวลาเราพักกลางวันกินข้าวเสร็จมีเวลาว่างก่อนจะทำงานก็ลองนั่งหลับตาแล้วนั่งสมาธิดูจะเห็นว่าการนั่งจะไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนเพราะเรามีสติมาคอยกำกับควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่คำถามต่อไปจากคุณออสครับ เดินจมกลมแล้วมานั่งสมาธิไม่เกินห้านาทีเกิดความว่างในวงเล็บผมใช้พุโทโธออกจากสมาธิแล้วยังเกิดความว่างอยู่ครับอย่างนี้ปกติไหมครับผมนั่งทุกวันประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครับท่านพระ อ, อาจารย์ก็เป็นปกติของคุณมั้งแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนว่างนานบางคนว่างไม่นานก็อยู่ที่กาลังของสติของแต่ละคน จากผู้ไม่ประสองค์ออกนามนะครับถามต่อจากข้างต้นเรื่องการพูดสองแงสองง่ามคนพูดที่พูดจนเป็นเรื่องธรรมดาผิดศีลหรือเปล่าคะก็ถือว่าเป็นอกคติคือไม่สํารวมทางวาจาไม่การพูดพารุสวาสซึ่งเป็นวาจาที่จะทําให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นได้จะไม่สามารถเข้าสังคมของผู้ที่เขามีมารยาทดีได้ คำถามต่อไปจากคุณทีพีปองนะครับตอนนี้กําลังดูแลคุณยายอายุเก้าสิบเอ็ดปีท่านมีความกังวลและจิตใจไม่ค่อยสงบเราควรจะบอกท่านให้ทำสมาธิง่ายๆอย่างไรดีคะก็บอกให้ท่านสวดมนต์ไปเลยต่อยายสวดมนต์ไปเวลาใจมีความกังวลอะไรก็สวดอาหังสัมมาสวาคาโตสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความกังวลจะหยุดถ้ายังกังวลอยู่ก็สวดไปเรื่อยๆ คำถามต่อไปจากคุณเชนครับถ้าเราทำบุญใส่บาตรและฟังธรรมกับพระทุสิงห์เราจะยังได้บุญไหมคะบุญที่ใส่บาตรก็จะเหมือนเดิมไม่ว่าจะใส่กับใครแต่ถ้าฟังธรรมจากพระที่โกหกมันก็จะไม่ได้ทาที่ถูกต้องมันจะได้ทำปลอมคำถามต่อไปจากคุณชนาภาครับมีอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟเหล้าผิดสิลข้อห้าไหมคะ ไม่ผิดหรอกถาเราไม่ดื่มเพงแต่ผิดอาชีพเท่านั้นเองเราไม่ควรทําอาชีพเหล่านี้เพราะเป็นการส่งเสริมให้คนมึนเมาแล้วอาจจะไปทําร้ายสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้หรืออาจจะมาทําร้ายเราเองก็ได้เสิร์ฟไม่ดีเดี๋ยวมันก็โวยวายแต่เราได้ <laughs> คําถามต่อไปจากคุณธนุธรรมครับที่กล่าวกันว่าสร้างบา ร, รมีนั้นการทําสมาธินี้ถือเป็นการสร้างบา ร, รมีหรือไม่ครับ ก็เป็นการสร้างอุเบกขาบารมีเพราะเวลานั่งสมาธิใจสงบแล้วเราจะได้อุเบกขาใจเป็นกลางใจปราศ จ, จากความรักความชังความกลัวความหลงเป็นการสร้างอุเบกขาบารมีการฟั่งเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการสร้างปัญญาบารมีการถือศีลแปก็เรียกว่าเป็นการสร้างเนคข ม, มะบารมีการรักษาศีลห้าก็เป็นการสร้างศีลบารมี การทำทานทำบุญใส่บาทถวายสังฆทานบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างทานบารมีตอนนี้คำถามหมดครับหมดแล้วออจะให้จะรอสักหนึ่งนาทีถ้าไม่มีเข้ามาก็จะได้เลิกกันดีเข้ามาแล้วครับออถามไปจากคุณพานุวัต์ครับพูดธรรมะให้เพื่อนที่เป็นทุกฟัง เพื่อนไม่พอใจเพราะบอกว่าไม่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตบอกว่าถึงอายุหนึ่งจะเข้าหาธรรมะเองจะช่วยเพื่อนอย่างไรดีถือว่าเพื่อนมีโมหาหรือไม่ครับก็เหมือนหมอให้ยาคนไข้ไปคนไข้ไม่ยอมกินยาแล้วหมอจะทำยังไงหมอก็ต้อ ง, งระงับไว้ก่อนรอให้คนไข้พร้อมที่จะกินยาแล้วก็ให้เขาไปเมื่อตอนนี้เขาไม่พร้อมจะรับยาก็ไม่ต้องให้เขาไปธรรมะก็เป็นยารักษาโรคใจเรียกว่าธรรมะโอสฐ เมื่อเขายังไม่อยากจะกินยาเนี่ยก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเดี๋ยวเมื่อเขาพร้อมจะกินเขาก็มาขอเองคาถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการวางความเจ็บความตายตอนแรกๆจากกลัวไม่กล้าคิดแต่คิดบ่อยๆไปเรื่อยๆมันก็มันไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าวางได้จริงคือต้องมองเราเจ็บตายให้มีความรู้สึกเหมือนคนที่เราไม่รู้จักถือว่าผ่านใช่ไหมคะ เราก็ต้องไปพบเจอของจริงนะะต้องไปเจอความเจ็บแล้วก็ปล่อยมันได้เช่นนั่งไปแล้วเจ็บมันก็ไม่ต้องลุกให้มันเจ็บไปจนให้มันหายของมันไปเอง<ม>หรือว่าเวลาเราไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงจะต้องตายภายในสามเดือนนี้ก็ดูว่าใจเราหวั่นไหวหรือเปล่าวุ่นวายหรือเปล่าถ้าไม่หวั่นไหววุ่นวา ย, ววายเฉยๆก็ถือว่าผ่านมันหมดแล้วใช่ไหม อเดี๋ยวนะฮามีคนครับที่คุณวิยะครับดื่มกาแฟกับน้ำพึ่งเป็นน้ำปะนน้ได้หรือไม่ครับถ้าดื่มด้วยดื่มด้วยไม่มีความอยากดื่มก็ได้แต่คือน้ำพึ่งก็ไม่ห้ามกาแฟเขาก็ไม่ห้ามดื่มเป็นน้ำหลังหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ดื่มได้คือเครื่องดื่มต่างๆนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติการกําจัดความอยาก แต่ถ้าเราไปดื่มด้วยความอยากมันก็มันก็อย่าไปดื่มดีกว่าแต่ถ้าดื่มเพราะร่างกายอิดโรยอ่อนเพลียแล้วมีน้ําพึ่งเข้าไปสักหน่อยเหมือนกับมีพลังงานเสริมให้ร่างกายสดชื่นมีกำลังที่จะไปปฏิบัติทงต่อ <c oughs> ก็ใช้ได้แต่ถ้านั่งรอเวลาดื่มน้ําพึ่งดื่มกาแฟว่าเมื่อไหร่จะถึงเวล า, าทันทีถ้าอย่างนี้อย่าไปดื่มมันดีกว่าตัดมันไปเพราะมันเป็นการ ทำตามความอยากซึ่งขัดกับเจตนาลมของการปฏิบัติเพื่อการกําจัดความอยากต่างๆค ำ, ำถามสุดท้ายเลยนะครับาจากคุณนลงครับตายแล้วไปไหนครับตายแล้วก็จิตไม่ได้ไปไหนหรอกใจก็เป็นนรกเป็นสวรรค์ไปแล้วเมื่อหมดจากนรกหมดสวรรค์ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่จิตก็ยังอยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิม แต่สภาพจิตก็จะเป็นไปตามบุญตามบาป ท, ที่ทาไว้ถ้าทำบุญจิตก็จะเป็นสวรรค์ถ้าทำบาปจิตก็จะเป็นนรกพอบุญกับบาปหายไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เอาท่านี้แล้วนะก็ให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด